คาที่ทางศาสนาระบุไว้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญก็คือบาปบุญนรกสวรรค์เทมโลก นิพพานกรรมหลักใหญ่คือกรรมที่กล่าวไว้นี้ทั้งหมดเป็นพุทธพจน์คือออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจา้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นของจริงคำงสอนของพระพุทธเจ้าก็ปลอมหมดแม้องค์พระพุทธเจ้าเองก็ปลอม ให้เราพิจารณาดูเพราะที่กล่าวทั้งหมดที่ระบุไว้นี้ทั้งหมดเป็นพุทธพจน์คือออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเองไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะมาอุตริเขียนขึ้นมาได้สอนมาอย่างนี้ได้ออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แล้ว เช่นธรรมที่จะนำมาสั่งสอนโลกก็ทรงรู้แล้วรพระจักรพรไทยเหตุที่จะรู้ธรรมถึงขั้นสูงสุดมิมุตพระนิพานก็ทรงบำเพ็ญเป็นต้นเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานการบำเพ็ญเรียกว่ากรรม ภาษาตัวทั่วไปเราเรียกว่าการงานคือการกระทำการกระทำนี้และเป็นที่ท่านให้ชื่อว่าตัวกรรมผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำดีและชัว่วนั่นเป็นวิบากเป็นสุขเป็นทุกข์ซึ่งเป็นผลออกมาจากการกระทำดีและชัว่วที่เรียกว่ากรรมกรนั้นนี่ย เมื่อทำพระองค์เป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระไถยสิ่งที่มีอยู่ซึ่งอยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าจะทรงรู้ทรงเห็นจะพ้นขยานของพระองค์ไปไม่ได้ต้องทรงรู้ทรงเห็นปิดไม่อยู่ การได้ทรงรู้ทรงเห็นสิ่งใดประจับพระไทยแล้วและนำสิ่งนั้นออกมาแสดงแก่จับโลกด้วยความแน่พระไถยหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะทําี่ยังให้พระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้านั้น ก็คือวิสุทธิ์ที่ทำได้จากความบริสุทธิ์หมดจดระหว่างกระจ่างแจ้งโลกวีถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกโดยแจชัดโดยชัดเจนทั้งโลกนอกโลกหนในสามโลกธาตุนี้ไม่นอกเหนือไปจาก่ายคือพยานของพระองค์ที่จะทรงทราบได้เลยการจัดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แม่ที่สุดเรื่องทนิผ่าน พระองค์จึงสามารถจัดได้อย่างองอาจกล้าหาญตามหลักความจริงที่สิ่งนั้นๆมีอยู่คิดดูว่าพระนิพพานยังนอกโลกไปอีกยังสามารถจัดไว้ได้เพราะพระองค์ทรงรู้พระนิพพานนอกโลกก็จัดได้แล้วในโลกทําไมจะจะจัดไม่ได้จะสอนไม่ได้จะรู้ไม่ได้โลกนี้คือว่ากามาโลก รูปะโลกอรูปะโลกกามาพบรูปะพบอรูปะพบนี่เรียกว่าในแหล่งแห่งวัตจักมีอยู่สามโลกนี้เรียกว่าโลกในวงของโลกพระนิพพานนั้นที่นอกไปจากโลกนี้แล้วเรียกว่าโลกุตรธรรมธรรมที่เหนือโลกอยู่เหนือโลกพระองค์ยังสามารถรู้ได้เห็นได้ทำไมสิ่งอยู่ในโลก จะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้นี่เมื่อสิ่งอยู่นอกโลกสามารถรู้ได้สิ่งในโลกมีอยู่ในโลกจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่พระองค์จะไม่สามารถรู้เห็นและไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่พระองค์จะนำสิ่งที่มีอยู่ซึ่งพระองค์เห็นแล้วไปจากดุริไไยางค์นั้นมาสอนโลกไม่ได้การสอนโลกจึงสอนตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัตวทั่วไปแต่ไม่ ส, สัตว์บรรดาสัตว์ไม่สามารถที่จะรู้สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตนนั้นเท่านั้นทั้งไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขปีดตัวออกจากสิ่งที่มันึงปรารถนานั้นบุญบาปเป็นผลของกรรมดีกรรมชั่วคาว่ากรรมใครจะปฏิเสธได้ว่าไม่ทำ ขึ้นชื่อว่าสัตว์โลกนี้แล้วต้องทำกรรมด้วยกันกิริยาแห่งการกระทำของสัตว์มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นดูเฉยเฉยไม่ได้ต้องมีกิริยาออกมาจากใจเป็นต้นเหตุความคิดตรงต่างๆไปทางดีทางชั่วท่านเรียกว่ากรรมคือการกระทำภายในใจพูดได้ออกมาทางวาจา และแสดงวอกาทางกายคือความประพฤติการกระทําเหล่านี้เรียกว่ากรรมทั้งหมดคำว่ากรรมนี้ก็แยกออกเป็นกุศ ล, ลกรรมอกุศ ล, ลกรรมอัปยาคาตกรรมคือการกระทําที่จะยังบาปให้เกิดขึ้นการกระทําที่จะยังบุญให้เกิดขึ้นการกระทําที่เป็นกลางๆไม่จัดว่าเป็นบุญเป็นบาปนั้นต่กัน การกระทํานี่แหละซึ่งจะเป็นผลยังให้สัตว์โลกนี้ได้รับเสวยสุขทุกข์ดีชั่วต่างๆกันเพราะการกระทําเป็นของแม่แน่นอนในตัวบุคคลและสัตว์ที่ทําอยู่ทุกๆระยะนั้นทําดีก็มีทาชั่วคนผลดีผลชั่วจึงต้องตามมา โดยที่เราจะมีเจตนาหรือไม่ไม่สําคัญสําคัญที่ทำลงไปแล้วมเมื่อเราปฏิเสธการกระทำไม่ได้เราก็ลบล้างบุญบาปไม่ได้การกระทำเป็นบุญเป็นบาปยังมีอยกาบใดคือการกระทาดีกระทาชั่วยังมีอยู่กาบใดคำว่าบุญบาปคือความสุขความทุกข์ที่จะพึงตามมานั้นเราลบล้างมาได้ถ้าไม่ลบล้างกรรมนี้ ซึงเป็นตัวเหตุนั้นเสียเมื่อผลวิบากคือผลมันมีอยู่กับใจฝังอยู่ภายในจิตใจการเคลื่อนย้ายของใจจึงจะเคลื่อนย้ายไปตามอัตโนมัติหรืออิสระของตนไม่ได้ต้องไปตามอำนาจแห่งวิบากที่ตนทำไว้แล้วเป็นเครื่องหนุนถ้าว่าเป็นฝ่ายต่ำก็ถักลงไป กดฉี่บังคับทรมานจิตใจของผู้นั้นถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นเครื่องส่งเสริมการกดท่วงลงไปก็สูที่ต่ำเป็นมนุษย์กับมนุษย์ต่ำรับแต่ความทุกข์ความลำบากเป็นผัดกับขนองเดียวกันแล้วลงไปอบายนมุก ค, คืออะไรนระกเปรตสัตว์ปานยังก็ว่าอยู่เนี้ แล้วแต่จะไปใหนเพราะอำนาจของวิบากฝ่ายต่ำก็กดลงไปให้ไปสู่ฝ่ายต่ำวิบากฝ่ายดีก็ให้มาเกิดเป็นมนุษย์มนววัยวะสมบูรณ์บริบูรณ์มีสติปัญญามีอำนาจลาัฒนะสูงยิงกว่านั้นก็ขึ้น ที่เรียกไปสวรรค์เพราะวิบากเกิดขึ้นจากการทำดีของตัวนั่นแหละพาให้ไปสวรรค์ไม่เคยเห็นสวรรค์ก็เห็นก็รู้ก็ได้ไปเมื่อมีบุญบุญพาไปเองสวรรค์ก็มีหลายชั้นหกชั้นดาตุมดาวดึง เรื่อยเนไปงามาดู ส, ดสินิมมานาดีไปนิมิสสาวาดีแล้วก็กล้าขึ้นพรมชั้นหกั้นมีพรมกายกาเป็นต้นมีว้านแน้ตั้งแต่กิจเป็นผู้จะไปไม่ใช่อวัยวะร่างกายของเรานี้จะไปอันนี้ไม่มีทางไปได้เพราะเป็นสิ่งที่อยาก หยิบยืนมาจากท่าสี่คือดินน้ำโดมไฟเมื่อถึงการแล้วต้องส่งคืนตามเดิมของเขาจิตคือเป็นตัวของตัวโดยลำพังไม่ใช่ท่าดินน้ำโดมไฟก็ไปไปสูงไปต่ำตามอำนาจแห่งวิบาก ท, ที่ทำแล้วสูงเกินไปก็ถึงโร ม, มาโลกสูงยิ่งกว่านั้นก็เรียกว่าโลกุตตระธรรม ทำเหนือโลกได้แก่พะนิวานเรื่องแถวเรื่องแนวของจิตที่จะเป็นไปเพราะอำนาจแห่งวิบากก็บ่งชัดเจนอยู่เช่นนี้แล้วคําว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานจะไม่มีได้อย่างไรเมื่อสิ่งอันนี้ประทับตราอยู่กับตัวเองด้วยการทุกคนคือการกระทํา พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเมื่อมาจรกสรู่แล้วการจรัสรู้ก็จกรัสลู่ตามความจริงแห่งสภาวะทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่การสอนก็ต้องสอนตามความจริงอย่างเดียวกันหมดไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะสอนแบบแนวให้ผิดจากกันไปตามตำหลับปนาท่านว่าไว้อย่างนั้นเราสอนแบบเดียวกันหมดจะมีต่างกันอยู่บ้างก็ตามอายุของหรือตามอำนาจวาสนาของพระพุทธเจ้า ที่มีต่างกันอยู่บ้างส่วนไหนที่แตกต่างท่านก็บอกเอาไว้เช่นพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีอายุถึงแปดหมืนปีพระชนมายุท่านประชาชนก็มีอายุตั้งแปดหมืนปีการสั่งสอนชาติโลกก็สั่งสอนนี่เป็นเวลาหนาสี่หมื่นปีอายุถึงสี่หมืนปี การประกาศศาสนาอยู่ถึงสี่หมื่นปีบางองค์ก็สามหมื่นปีลดลงมาเตือนดับและการลงอุโบสถตาติโมกเจ็ดปีลงอุโบสถสักรรมประชุมสงฆ์ครั้งหนึง่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ผิดกันท่านบอกไว้อย่างนี้บางองค์ก็หกปีบางองค์ก็ ย่นลงมาย่นลงมาส่วนศานสนารำวุาเจ้าของเรานี่พระองค์เองก็ยอมรับว่าเราไม่มีอำนาจวาสนาในการปกครองพระสงฆ์ให้ปีรังขาวรหรือให้มีความสามัคคีกันถึงเจ็ดปีเท่านั้นเพียงสิบห้าวันก็พอเหมาะ้าเลยจากนั้นไปพระสงฆ์ก็แตกกันได้ เพราะฉะนั้นสิบห้าวันจึงมีการประชุมสงลงปาติโมกเสียครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเรื่อยมาจึงที่แตกต่างกันท่านก็บอกไว้อย่างนี้คิดดูจะบางองค์เจ็ดปีถึงประชุมปาิโมกกันผลหกปีย่นลงมาย่นลงมาปีหนึ่ ง, ง, งลงอุโบสถทางกรรมทีนึ่งท่าสง์ก็อยู่ได้ด้วยความทพาสุขมีความสามาัมคคีกลมกืนกันดี ไม่แตกไม่ร้าวส่วนศาสนาก็บูรเจ้าได้ภายใน15วันเท่านั้นเห็นว่าเป็นความเหมาะสมใน15วันประชุมสงฆ์ลงบูจบครั้งหนึ่งท่านบอกไว้อย่างนี้นี่เป็นความแตกต่างกันในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับสปปะปัสสะอาการะนงัง การไม่กระทำบาปทั้งปวงหนึง่งคือจะสู้กระช่มประดาการยังกุศลด้วยความฉลาดให้ถึงพร้อมนึ่ะสกิจตะปริโยโดัปปานังการยังจิตของตนให้ผ่องสาสจนกระทั่งถึงความบริสุดหนึ่งเอตังมุธานาสนาังนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนอย่างนี้เหมือนกันหมดทั้นน ั น, นั้นทางขยายความมอาอไปว่าอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมคเคศจะสั้งมาโดยไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายผู้อื่นทั้งรวมในปาติโมมัตตันดุตาจะผัดตัดมิ่งรู้จักประมาณในการขบการฉันปันตังจะติจนาสันนังหาอยู่ในแสวงหาอยู่ในที่สถานที่ทิเวศอันสงัดที่ทิเวศสงัด เอตังมุทานาสาสนางอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นคำสอนของพระเจ้าจะอธิจิตเจจะอาโยโกการกระทาจิตให้ยิ่ง น, นี่ก็เป็นคำสอนของพรเจ้าทุกๆพระองค์ไม่มีอะไรผิดแตกกันเลยเพราะฉะนั้นการสอนเรื่องบาปเรื่องบุญหรือเรื่องกรรมก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีทมมาโลกหรือนิพานก็ดีซึ่งสอนแบบเดียวกันหมด เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่สอนตามสิ่งที่มีอยู่จาตที่ลงนรกที่ไปสวราารค์ชมมาโลกจนกระทั่งถึงนิพพานก็เช่นเดียวกับเราไปจ่ายตลาดม่จะว่างไงถ้าหากสามารถรู้ได้ด้วยญาณอย่างพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกพวกที่มาเกิดเป็นมนุ ษ, ษย์ก็คือพวกเราพวกที่เกิดเป็นสัตว์ก็ลังที่เราเห็นอยู่แล้วนั้นเช่นสุนัขหมูหมาเป็นตน้นเราปฏิเสธได้ไหมสิ่งแบบนี like ้ว่าไม่มีนี่เราเห็นด้วยตาของเราเราก็ไม่สงสัยทินที่ทรงทราบด้วยพยานดังพระพุทธเจ้า ข, ของเราถ้าองค์จะเอาความสงสัยมาจากไหนเพราะทราบจะชัดเห็นชาชาชัชัดเช่นเดียวกับเราเห็นด้วยตาเนื้อ เรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องวัวเรื่องควายหมูหมาเป็ดไก่นั่นเขาไม่เขาไม่ใช่คนแต่เขาเป็นสัตว์ชนิด น, นั้นๆเราก็ไม่สงสัยเพราะเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาอยู่แล้วข้อนี้ฉันใหม่เรื่องคำว่ากรรมก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรมโลกก็ดีนิพพานก็ดีผู้เสวยกรรมนั้นๆ ตามอำนาจแห่งการกระทําของตนที่จะแท้เกิดในสถานที่นั้นๆก็ดีเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเช่นเดียวกับที่เราทั้งหลายเห็นเห็นรู้ๆเรื่องของจัดทั้งหลายอย่นี้แล้วไปกันมากันอยู่เรื่อยเราเห็นอย่างนีน้มีเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงทราบด้วยทายาทไม่มีอะไรผสใสั ผู้ที่สงสัยก็คือพวกหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราบางทีก็เลยปักใจลงไปเสียว่าความไม่เห็นนั่นแหละคือความไม่หนิงนะแต่ความไม่สิ่งไม่สิ่งที่เราไม่เห็นนั่นแหละมักจะโดนหน้าผากเราอยู่สมอสิ่งใดที่เราเห็นไม่ค่อยจะโดนกันหลีกกันได้สิ่งที่ว่าเราไม่เห็นนั่นแหละมักโดนมันอยู่สมัอ ะสดดุเป็นนต้ถ้าเราเห็นเราจะไปโดนทําไมโดนสะดุดโดนหัวต่อโดนหากไม้โดนไปทำไมโดนหินโดนเหยียบฝาเหยียบหนามเหยียบมันทําไมก็เพราะไม่เห็นเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่ในสถานที่เหยียบย่างไปนั่นแเองแต่ความที่ว่าไม่มีนั้นะไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งนั้นๆที่มีอยู่โดยลําพังตนเองได้เพราะฉะนั้นจึงต้องโดนขวากโดน เหียบฝ่าเหยียบน้ำโดนไม้โดนตอกกันอยู่เรื่อยด้วยความไม่เห็นท่องเาวกานที่สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความลําบากทรมานหาทางไปไม่ได้ก็เพราะความไม่รู้ไม่เห็นความหูหนาตาเถื่อ น, นั่นแหละไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่หนีแต่ผู้นี้ไม่เห็นผู้นี้ไม่รู้ตังหาจึงต้องโดนเอาโดนเอาผู้ชีวันนรกสวรรค์ไม่มีนั่นแหละคือผู้ที่โดนตั้งแต่ทุกข์อยู่เรื่อย นี่แต่ไฟนรกแผ์เผาอยู่เรื่อยๆคือผู้ที่ว่าไม่มีเพราะเกิดความประมาทแล้วความประมาทนั่นแหละจะเป็นการสร้างไฟที่มาเผาตัวเองแต่พระเจ้ทาท่านถึงสอนไม่้ประมาทสิ่งได้ที่พระองค์ท่านได้ประกาศสอนลงไว้แล้วสิ่งนั้นเป็นความจริงไม่มีความเป็นอื่นเราไม่เชื่อค น, คนตาบอดไม่เชื่อคนตาดีจะเชื่อใคร คนโง่ไม่เชื่อคนฉลาดจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นคนประเภทใดที่เราจะไม่ไม่เชื่อท่นทานพามาเป็นป ร, ประเภทอย่างพวกเรานี้แล้วก็เป็นศาสดราสอนโลกไม่ได้รำเป็นศาสดาจริงมีพรอํานาจวาสนาบุญญาพิัมพาน์เหนือโลกจึงเป็นศาสดาของโลกได้เราพวกคนโง่หูหนาตาเถื่อนจึงต้องได้เชื่อพระพุทธเจ้า แน้วพยายามดำเนินตามพระโอบ ด, ดังที่เราทั้งหลายได้มาบําเพ็ญดิเวลานี้และบําเพ็ญตลอดมายังจะบําเพ็ญอีกต่อไปก็เพความเชื่อต่อพระโอวาทคำาังสอนคงมูลยุทธานั่นแหละคื่ว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องอันเป็นเขียมทิศทางเดินให้ไปด้วยความราบรื่นชื่นใจ การบำเพ็ญคุณงามความดีจะเป็นประเภทใดก็ต า, ามเป็นการบำรุงส่งเสริมตนเองโดยตรงคนอื่นยังได้รับความสุขความสมายอีกด้วยเจ้าของก็รับบุญกุศลอีกด้วยเช่น่างการให้ทานหลุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นก็ได้รับความสุขด้วยวัตถุนั้นและได้รับความปีติยินดี มีความปีติยินดีย้อนมาถึงผู้ให้อีด้วยผู้ให้ก่อบุญได้กุศลด้วยความปีติยินดีเป็นเครื่องสังอยู่ภายในจิตนี้แหละคือบุญคือกุศลอาการที่ให้ด้วยเจตนาเจตนานั่นแหละจะยังกุศลให้เกิดขึ้นสิ่งที่ให้ไปนั่นมันก็ร่วงโรยไปธรรมดาหมดไปสึ้นไปแต่ เจตนาที่ให้อันเป็นความดีเป็นกุศลธรรมอยู่ภายานจิตใจนี้ไม่ร่วงโรยไม่หายไปไหนสังลึกอยู่ภายจิตใจผู้เป็นตัวการแห่งเจตนาของการให้ทาน <c oughs> การรักษาศีลก็เช่นเดียวกันใครเป็นคนรักษาผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้บำรุงรักษาตัวเองการภาวนาก็เช่นเดียวกันจิตใจมีความมอกงแแม่นแข็ง สัมและสายดน้นชิดนี้ก็พยายามพึกหัดดัดแปลงจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความภาคเพียรสันติความอดความทนความดีทั้งหนายที่เกิดขึ้นจากความพยายามเหล่านี้ก็เป็นสมบัติของเราสังอยู่ที่ใจนั่นแหละใจจึงเป็นบอ่อแห่งสมบัติสุดท้ายก็ใจนั่นแหละ จะเป็นผู้บริสุทธิ์ดิมุตเพนิพานจะเป็นธรรมดวงเลิศดก็คือใจดวงนั้นเท่าที่ยังเลิศดไม่ได้ก็เพราะมีสิ่งที่เร็วตามต่ำช้ามันหมักหมมอยู่ภ า, ายนจิตใจดังนั้นจึงต้องพยายามชำระสิ่งนี้ออกไปในความภาคเพียรของเราวันหนึ่งแน่นอนเมื่อเราก้าวเดินคือบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอจะถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัย เช่นเดียวกับเราเดินทางเดินยุ่มาหยุดไม่ถอยเดินไปเรื่อยๆทุกวันทุกสิ่งจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางก็สมมตสมห ม, มายการบําเพนก็เหมือนกันไม่เสียหายไปไหนบําเพนเท่าไหร่ก็ได้หน้าอยู่เรื่อยเมื่อบําเพนหยุดเบื่ไม่หยุดไม่ถอยก็เพิ่มภูมสมบูรณ์ขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ ยกผู้เป็นเจ้าของให้พ้นจากทุกไปได้ อ, อันนี่แถึงพันิพานเราทั้งหลายเป็นลูกเต่าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าทีย่แบบพุทธบริษัทก็คือลูกเต่าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าท่าธรรมท่าสงหรือพุทธมามากะธรรมมามากะหนึ่งดำเนินตามหลักธรรม ความดีงามทั้งหลายที่งเป็นสมบัติของเราจะแสดงผลเป็นที่พึงพอใจเพราะไม่มีผู้อื่นผู้ใดจะมาแย่งชิงออกไปได้อะโจรหะอานุนิธิเนี่ยจนผู้ร้ายก็มาต้นออกไปไม่ได้ฝังอยู่ภายในจิตใจท่านเรียกว่าปุญญ น, นิธิ ผมครับคือคือบุญสังอยู่ภายในจิตใจของผูนั้นนั้นตายที่ไหนก็ไปเถอะคนมีบุญตายที่ไหนก็คือคนมีบุญเป็นผู้ตายอยู่ที่ไหนก็คือคนมีบุญเป็นผู้อยู่เป็นผู้ไปความมีบุญนี้ไปที่ไหนก็ไม่จนกลอบเป็นมูลมีแต่ความสุขสํานานบานใหญ่ดิเหมือนนักตรากทั้งหลายท่านจึงสอนให้บําเพ็ญบุญ มีความรุ่มเริงบันเทิงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้เราก็ได้อาศัยดังที่เป็นมาแล้วนีโลกหน้าเราก็จะต้องอาศัยเพราะเรายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องพยุงเราให้มีความสุขความสบายในภพนั้นๆัน้นจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางก็หมดปัญหากันไปการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอฤทธิ์ิเพื่นรนี้